เป็นที่ตั้งจะเจะใหเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเึงจะได้แก้สิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่มีสตุติมักจะทำไม่ค่อยได้ถ้าสุกก็เป็นสุกต่อทุกก็เป็นทุกมีแต่เป็นเข้าไปกับสิ่งต่างๆไม่ได้เห็น เหมือนคนหลับตาคาถึงอนไรก็เข้าใจถึงนัน่นว่าเป็นอย่างนัน้นดาบอดของช่างเห็ขาก็เหมือนกับช่างเหมือนกับเสาเล้าเห็นข้างของช่างก็เหมือนกับฝาเล้าเือคนไม่เห็นคำอสองพจส์เอาไว้ บันจาต่อจิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่นั้นก็คนไม่ีสติก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีสติจะได้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราปฏิบัติถ้ามีสติ เกิดอะไรขึ้นมาในความพร้อมที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยถูกผิดจะได้เห็นตรงนี้เพราะสติเป็นตัวเจนฑชีวัด จะได้เปิดเผยออกมาแล้วก็ของที่ปิดจะได้เปิดออกมาถ้ามีสติดุกใจถ้ามีสติดูจใจเห็นของที่กลวงก็จะได้หายขึ้นเมื่อเปิดออกก็ย่อมเห็นเป็นอย่างไรหายขึ้นก็ย่อมเห็นว่าเป็นอย่างไร ปฏิบัติกับสิ่งที่เห็นนั่นอย่างถูกต้องได้มีสติไปในกายเป็นไปจอมอะไร ก, กับกายก็จะได้เห็นไม่เป็นแต่ก่อนถึงที่เกิดกับกายถ้าไม่มีสติก็เป็นร้อนก็เป็นเพื่ร้อนหนาวก็เป็นเูืหนาว ยิ่ก็เป็นผู้หิ่งเจ็บปวดก็เป็นผู้เจ็บปวดหมดตัวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีหลักอุทิดก็ทิ้งอะไรที่ไม่ถูกต้องไว้ในกายในใจเยอะเป็นกิเลสพันห้าตันหาลอยไป ถ้ามีสติก็จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นกายสักว่ากายสิ่เกิดขึ้นกับกายพัฒนาการของกายเรียกว่าเวทนาเพราะสักว่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นเห็นกิจที่เหมันคิดเพราะสักว่ากิตที่มันคิ ด, ด, มคดไม่ได้หลุดไปกับความคิด ให้มันเป็นอันอื่นคิดขึ้นมาก็เป็นสุขคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์คิดขึ้นมาเป็นหลายๆอย่างเกิดจิดตเดชฐานลาคะเกิดโกรธโลภกปรบหลงความพอใจไม่พอใจถ้ามีสติก็เห็นจากแต่ว่าจิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเป็นอาการของจิตไม่ใช่จิต สิงที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นอาการของกายวม่ใช่กายเป็นปกติสิ่ที่เกิดขึกับกายถ้าไม่เห็นกับเป็นเรื่องที่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่กายเป็นกายในกายไป ก, กันหนึ่งเป็นฉุกในฉุกทุกในทุกกันหนึ่งไปทุกโตโตกันไปยาบเป็น สลำับไปต่อไปต่อไปไม่สักแต่ว่าไปไกลสุข ก, ก็ไปไกลทุกข์ก็ไปไกลสิ่งที่เกิดเพื่อคิดก็ไปกลายถ้าไปไม่ถูกทางก็ไปชั่วบ่ายไดนะ้คิดขึ้นมาตกนรกได้คิดขึ้นมาเป็นเปรตได้คิดขึ้นมาเป็นนักสุลกายได้ คิดขึ้นมาไปนะจะดฉันได้โง่ไปเลยเราจะมีสติกลับมาสักแต่ว่าสติทำให้เราเป็นอย่างนั้นจะึืนไปไม่ได้เพราะมีที่ตั้งเป็นเกณฑ์ที่วัดมันไม่ถูกต้อง ครบถูกต้องคือเห็นไม่ได้เป็นภาวะที่เป็นไม่ถูกต้องสุขเป็นสุขไม่ถูกต้องทุกเป็นทุกไม่ถูกต้องก็สุขเข็นมันสุกขก็ทุกเห็นมันทุกอย่างนี้ถูกต้องไม่หวั่นไหวไม่เกิดอะไรขึน้นมีสู่ปกติสู่ปกติสุเขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุข เป็นปกติทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเป็นปกติตาสุขเห็นมันเป็นผู้สุขทุกเป็นผู้ทุก์ผิดปกติรู้จักผู้ปฏิบัติเมื่อเราได้สอัปากจา น, านี้ทุกบุกเบิกไปเรื่อยๆมีหลายข้อแถวมองให้ดูอยู่แย่ ดูเรื่องเก่าเห็นเล่าเห็นดีแตกแขนเห็นการเห็นลูกมันทำแตกฉขนตรงนี้เห็นจิตที่มันลูกเลยได้เป็นนามมันทำแตกแขนตรงนี้แตกแขนในรูปแตกแขนในนามมันก็บอกรูปมันบอกนามมันบอก ธรรมชาติมันสอถูกธรรมชาติศอนจำ น, นวนโตธรรมชาติลูกก็ตามตามธรรมชาติเรื่อยๆลายสก๊อกายลูกทำน้ำรมลูกมันรมดีน้ำมันรมดีลูกมันทำชั่วน้ำมันทาชั่วแต่ก่อน มันเป็นใหญ่ในการกระทำผิดก็เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าตาจิตชั่วแล้วผู้อยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามแต่ว่าผิดทั้งนั้นตาจิตไม่มีสติวรวมชั่วความประจต้องเกิดกับผิดก็ย่อมน้อไป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 อารมรว่าอารมณ์ทำอารมเป็นคู่กับจิตไม่ใช่จิตเราก็ได้เห็นอย่างนี้ทำอารมอารมจะเกิดกับจิตเหมือนตาคู่กับรูที่ได้เห็นติดทั้งตาลูติดตาเสียงติดหูจมหม ติดกลิ่ น, นติดรถกกยติดสัมผัสจิดใจติดอารมณ์เพียนไปหมดเลยหลก็เพียนตาหูก็เพียนไปปฏิเเกิดของความผิดไม่จบลงที่นั่นเห็นจากว่าเห็นคือสติได้ยินจากตว่าได้ยิน ในรดในสมผัสตะกแปลว่าได้คิดจักแต่ว่าไม่ไปอยู่ตรงที่เกา่าตรงที่เกา่าเป็นเสาเขื่อนไม่หวั่นไหวในตั้งอยู่เช่นนี้ก็ เ, เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญหาพระปัญญาขึ้นมาหมันบอกลูกเหมือนบอกนาเหมืนบอก รูปมันทํำดีนามมันทํำดีรูปมันทําชั่วนามมันทาชั่วได้เห็นมายาสาไถ่ของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยช่วยรูปไม่เคยช่วยนามพอมาเห็นอย่างนี่มันก็ได้ช่วยรูปช่วยนามเหมือนกับเหมือนกับโกกูกก้ขึ้นมาให้สู่ความปกติ ผู้ปฏิบัติเองก็รู้เองเห็นเรืองสำหรับได้เองเป็นเช่นไรความว่างเปล่าความไม่เป็นอะไรกับความเป็นอะไรที่หนักหมกวิดถีมาเกิดปล่อยวางลงใจว่างว่างกายว่างว่างวางวางเบาเบาเย็นเย็นมันก็เกิด กระเสเกิดนับเกิดผลตามฐานะของผู้ปฏิบัตินีเกิดกอบเป็นกรรมเป็นผลขึ้นมาลูกมันทุกน้ำมันทุกอย่างไรกกดคุยออกมาทุกแง่ทุกมุมทุกของลูกขางอยางทุกของนามบางอยอง ทุกของลูกหวางทีก่กาหนดลูกด้วยการลูกละไม่ได้ทำหน้าที่กับลูปอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลูปอย่างถูกต้องทุกของลูปวหงออย่างบรรเทาทุกของลูปวหงออย่างต้องละไม่เอาเป็นตัวเป็นตนไม่ปนเปนกันไปเป็นระเบียบระเบียบรูประเบียบนาม ายเป็นกดเขียนขี้วัดโดยอาศัยเราเบียบเป็นแผนที่หล่อหลอมเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบให้เราได้อยู่ในแบบในพิมพ์เป็นองศนก็ช่วยเราปกติช่วยเราสมาธิความไม่หวั่นไหวก็ช่วยเราวั่นาความรอบรู้ก็ใช้ช่วยเรา เวลาเราปฏิบัติมีทำรักษาทาคุ้มครองคืออย่างนี้เลยทำย้ารักษาผู้ประพฤติทาอยู่เป็นนิดทำย่อรักษาผู้ประพฤติทำไม้ตกไปในที่ชั่วเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราปฏิบัติเหมือ น, นกับว่ามีคนมีค่าคุ้มค่า ที่ได้เกิดมาตอบแทนบนคุณพ่อแม่ลูกของพ่อของแม่กำลังทำดีกันแล้วความชั่วได้ต่างเก่าคนเพราว่าเดิมขึ้นมาลูกทุกวรอย่างต้องละเช่นความโกรธต้องละทุกข์การ้อนกาหนาวก็ต้องวันเทาก็หิวก็ต้องวันเทา เกี่ยวกับทุกที่เกิดกับลูปยางเป็นระเบียบเจ้าแบบเจ้าแผนใจชีวิตไม่ผิดเพี้ยนเป็นขวางพอเพียงเพียงพอไม่ขาดเป็นอาชีพพอเพียงไม่จนในเรื่องนี้จศรษกิจพอเพียงไม่ผู้ป่วยรู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักหารู้จั ก, จ ก, จกซ่อมแซม ตรงไหนไม่ดีที่เกิดเกิดกายกัดใจไม่ได้ปล่อยทิ้งโูกโลกนามโลกโลกของโลกโลกของนามมีอะไรเป็นของทุกอันหนึ่งลูกทุกโลกโลกโลกของลูก บางอย่างก็แคบมา ไ, ได้มีโลนมีหนาวมีหิวมีเจ็บมีปวดแต่โลกของโกูโกโูกธรรมชาติโลกประเภทนี้ก็กำหนดรูปใยการรู้กําหนดรูปการกกบรเทาโลกของโูกของ น, นาำทุกเป็นความโกรธความโลภความหลงในต้นหาสิ้นเสพติดต้องละอย่างเดียวบรรเทาไปได้สุขวลี มันเดาความอยากไม่ใช่แบบกันเหนเล่าบรรดาความผิวไม่ใช่แบบนั้ น, น, ท, บบ น, นทุกแบบนี้โลกแบบนี้ถูกละเป็นระเบียบไม่ละไม่ได้คอไปจะขาดหวงไปจะแตกมันเห็นอย่างนี้ไม่ได้อดไม่ทนเลยหลุดไปเลย เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหล ด, ดไปเลยยิ่งมาเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจนี่มันมันรุนแรงเหมือนกับว่าไอาดี่แหละเ ป, เป็นจำเป็นจาเลยหมายเลขหนึ่งเราถูกเจยวนี้เราเป็นท่าของความคิดที่ไม่ตั้งใจเป็นบาปตัวตัวแรก ลูเราเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจเอาจริงๆตัวนี้ปล่อยทิ้งไม่ได้ให้ไปไกลไม่ได้เหมือนกับว่าความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเคยใช้จิตให้คิดเป็นทวารของจิตที่ใช้จิตคิดนี่สติเต็มที่เหมือนกับก้อนกวดทิ้งชายฝ้าผนัง ตกลงตรงนั้นตกลงตรงนั้นคิดที่ได้ตกลงที่นั้นไม่มีค่าในความคิดพอให้เป็นสุขเป็นทุกข์ประความคิดไม่ได้พอให้เกิ ด, ดโกรธโลภหลงเกิดจิตเส้นหาไม่ได้ตกลงที่นั้นนิสติกเป็นพลังกุ้มคลอง แต่ก่อนคิดเหมือนกระดินเหนียวคิดอะไรก็ติดไปกับจิงนันลอยของความคิดเกิดความสุขความทุกข์เะแยะปดเพื่อนไปหวดเลยพอมาเห็นความคิดที่เกิดกับกิตไม่ใช่ได้ตั้งใจนี่เอาตรงนี้จริงๆริงอุปบดีว่าาย่อมตรงมาที่นี่มากที่สุด แก่ตรงนี้มากที่สุดเปลี่ยนตรงนี้มากที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมนะอะไ้หลักดฐานอะไรกันตั้งทับตรงนี้มากที่สุดแลยหรือว่าบาเพ็ญทางกิจบรกเจ้าก็บำเพ็ญทางกิจแบบนี้ได้แต่ จ, จะลูกก็เพรา ะ, ะได้ทําอย่างนี้เป็นพุทธาก็ได้เป็นอย่างนี้เป็นพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนี้ มีศีนมีสมาธิมีวิญญาก็เป็นอย่างนี้ได้หลักตรงนี้ได้ฐานตรงนี้ยึดพื้นที่นี้คองพื้นที่นี้เฉิใหญ่ในพื้นที่นี้มีสิตที่ในพื้นที่นี้มันความคิดนี่มันเป็นต้นเหตุ ยังมีสติเท่านั้นที่จะไปเห็นมันไม่ใช่ไปศึกษารูปไรแบบไหนอ่านตำลับตำลาหรือได้บดรู้มาอย่างที่เราสาธยายพระสูตรมนนปุพังคมาธมามโนเฉตามรงวายาสามทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเิดสุดสำเร็จแล้วที่ใจว่าแต่บาก มาได้เห็นเงื่อนไขของความเป็นจริงเงินใจอะไรใหญ่ไพ่เป็นทุกข์ก็ทุกข์กับความคิดใหญ่ไพ่เป็นจุข ก, ก็เป็นสุข ก, กับความคิดใหญ่ไพ่เกิดจินตนาก็รทำตามความคิดที่เกิดจินตนากาผลงานของความคิดไปไกลเยอะยๆไปแล้ ว, วเราไม่จะติรู้เห็น มาย่อเาสาถยรของความคิดที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดความชัวช่วมากมายชีวิตทั้งชีวิตไปห้อยไปเฉาไปกับความคิดจินไม่ได้ก็คิดขึ้นมากินไว้ได้คิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นมาเสียใจน้ําตาร่วงน้ําตาไหล บางท่านทีม่มีอะไรทําตัวเองทํอย่าคิดแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวดโอ้สะดุดตรงนี้ก็โดดใต้ไกลละตื่นมากตื่นตน้องแน่ก็โดดได้ตอนนี้มากที่สุดเลยตืนตรองแนมากที่สุดเหมือนผ้าคุมหัวผ้าคุมหัวจะหลุดออก โลงแก่งเบบ่มลูแจ้งเ น, นี้เกิดกัน ว, ว่ววิปัสนาญาณกาา็ได้หายัชแจ้งแบบ อ, อาทิตย์แสงจันอาทิตย์แจ้งในสว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนแต่ธรรมะสว่าง ทั้งกลางวันกลางคืนเธอความรู้แจ้งอย่างนี้วิปัสสนาญาณ่านขึ้นมาญาณก็ขนส่งวิชญาณแบบลูกวิปัสสนาญาณขนส่งความหลุดค้นความหลุดค้นเป็นจุดหมายปลายทาง ไม่ใช่อันอื่นตาเขาถึงวิปัสสนาแล้วหลุดพ้นเลยมาอันดับหนึ่งอะไรก็พ้นอะไรก็หลุดพ้นหลุดพ้นนี่คือวิมุตเป็นจุดหมายปลาทางของอมตะไม่ใช่ลาบสักราเฉียงเสริญเย็ยนยอว่าใช่หมูมิดพวกฟ้องบริวารไม่ใช่เจ้าลัททินิการ ควมหลุดพ้นต่างหากที่เป็นเกณฑ์เราทำอยู่ในกรรมฐานนี่ยิ่ว่าค ม, มจัน์ก็ว่าได้รูป้อทุกน้อทุก ร, รูปสมมุตินามสมมุติเยเจยเป็นหลักฐานฟ้องลองไปไม่มีที่อาศัยเลยรูปบัญญัติวัตถุอาการปลอมัิ บอกความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงความหลงเป็นสมมุตทบน ญ, ญตัตความไม่หลงเป็นปรมาตจจัตาจักรไม่มีการเปลี่ยนได้ความจริงต้องเป็นความจริ่เช่นนั้นใครจะลู่หรือไม่ลู่ความจริงก็ไม่อยู่โขคาดเป็นความไม่เที่ยงก็คือวามไม่เที่ยงโขคาอยู่อย่างนั้น จะให้มันเที่ยงไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดแล้วความเป็นทุกข์ควเป็นทุกข์อยู่นั้นจะให้เป็นโฉกไม่ได้เด็ดขาดผูกขาดแล้วเราจึงเห็นเรื่องนี้ตามความเป็นจริงเราเห็นเรื่องนี้ตามความเป็นจริงก็ควรจะเฉลีแห่งมากแห่งผลได้เหนือกว่าเคยดเฉเจ็บตายได้ ไม่เวลายทำให้เราเป็นทุกข์แต่ความเป็นทุกข์ปความไม่เที่ยงเห็นทุกข์ประความเป็นทุกข์เป็นทุกข์กกความไม่เชื่อัวนตนแบดนี้มันเกิดมากเกิดผลตนนี้รู้จึกว่ากระโดดได้ตื่นมากตัวนี้ดวงไม่เที่ยงเป็นมากเป็นผล เบื่อหน่ายความไม่เที่ยงที่เกิดอยู่ในรูปในนามนี่ความโกรธมันก็ไม่เที่ยงจะไปรับใช่มันได้ไงความโกรธทำตามความโกรธได้ไงกระโดดได้ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงจะให้เบื่ทุกข์อย่างไรแต่ก่อนมันไม่รู้ไอนอนในความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามปีข้ามเดือนข้ามคืนก็มี โอกาสโดดได้อยากให้มันเป็นจุกไม่ได้เด็ขาดทุกความทุกก็คือความทุกรูปทุกน้อมทุกเนี่ยเป็นอย่างนั้นธรรมช่วยเหลือเราเปิดทางบอกติดบอกถูกเหมือนทางที่หวงหบอกเหมือนเครื่องนําทางที่เติดรถจน ตุวันนี้เขาก็ทันสมัยว่าจะไปทางไหนกดจังหวัดอำเภอเมืองเส้นทางมันบอกทำทางไปกวาเป็นแผ น, น, นที่ถ้ามันบิงไม่ถูกก็มีเสียงออกมาไม่ถูกไม่ถูกผิดแล้วกลับไปใหม่ มันบอกจังนี้คนที่หมายรู้กับรู้ไปเลยข้อสิ่งที่มันบอกเป็ น, เ ป, นเป็นไปได้อ น, น่าเป็นรูปประทับแต่ศัจธรรมมันบอกปมรมตถธรรมมันบอกยิ่งมากกว่านั้นไม่ต้องอาอใจอื่นในความหลงก็ไม่ความไม่หลงบอกอยู่นนั้นประกาศอยู่จนนั่น ในความทุกก็ไม่ความไม่ทุกอยู่เช่นนั้นในความผิดก็ไม่ความถูกต้องอยู่เช่นนั้นไม่รูกไม่ต้องมีอะไรบอกตรงกันข้ามพอดีตรงกันพอดีตรงกันพอดีเหมือนพระสิริธรรมได้กระแสเรื่งนี้ตั้งแต่เป็นเจ้าฟ้าใจอายุ16 <Yeah. S 1> ปีสภาภูเก็ตมีรั เห็นคนเกิดก็มองความไม่เกิดเห็นคนเจอก็มองความไม่เจอะเห็นคนเจ็บก็มองถึงความไม่เจ็บเห็นคนตายก็มองถึงความไม่ตายได้หลัตรงนี้องมีคู่อย่างนี้ไปเห็นคนทุก์นั่งเวลาตายผัวศพเห็นคนร้องหย่ร้องไห้ไปลุก คนลองให้หรอโชคคนเฉยใจจึงเป็นการบ้านของพระองค์พร้อมไครไม่มีใครตอบได้ต้องเป็นอย่างนี้กันหรือต้องเป็นอย่างนี้ด้วยในที่เป็นเจ้าผ้าชายรับผิดชอบเกลี่ยกลมรักของคนล็กมรรทุกหยอกช่วยเหลืออย่างนี้หาคำตอบลงนี้ให้ได้ ต้องมีคำตอบอั น, นี้แน่นอนเมื่อไม่แจก็ต้องไม่ไม่แจอเมื่อไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อไม่ตาต้องมีไม่ตาแน่นอนจะหาคำตอบรงนี่แล้วจะมาบอกคนมาช่วยคนให้คนได้ไม่มีทุกข์กับเรื่องนี้วิธีจะหาคำตอบรองนี่เห็นสมณะกออาแบบยาสมณะ ตรวจอยู่ทั้งหกปีหลงคิดหลงทางอยูมาได้คืนสุดท้ายเพนเดือนหกปีที่หานั่งใต้ต้นสีมรกตโผลหลบหลีกมาวัานชาชีหนีจากอยู่คนเดียวเอาละมันคือที่นี่อันดื่นก็ถึกจสมามากแล้ว มาเปรียบเทียบกับตัวเองนหมนกับไม้ไผ่แช่น้ําสีไผ่ไม่เกิดไม้ไผ่เอาขึ้นน้ำแล้วยังไม่แห้งสีไผ่ไม่เกิดไม้ไผ่เอาขึ้นน้ําแล้วแห้งแล้วสีไผ่ออกเกิดมาเปรียบเทียบกับตัวเองจะได้ถ้าออกจับ บ้านจากเมืองทิ้งลูกทิ้งเมียมาหนึปีก็ยังชุ่มอยู่คิดถึงพิมพาร้่เหมือนไม่ไผ่ออกจากน้าแล้วแต่ยังไม่แห้งยังชุ่มอยู่มาสอนตัวเองผ้าของมานคือมันละลายมันเช็ดไปคนไม่เมียคถึงเมียคนไม่ลูกคิดถึงลูกคนไม่ควบจุกคิดควบจุ เคมีประสาทสามดวเคยมีความจุกเมื่อขวาไม่ทุกข์ก็คิดถึงความสะดวกสบายพากออกมาไปมากความคิดดุนแรงมากถหบหิวไปไหนก็ได้พากิดออกมาคิดที่ได้กลับมาไม่ใช่มานังคิดถึงรูปถึงเงี้ยเออมาเห็นตรงนี้เอาตรงนีน้อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ทางใจไม่ ถูกต้องกลับมาลูก่กลับมาลู่มีสติไปในกายอยู่เป็นประจำผู้แข็งเข้าเหยื่อแขนหรอกลูก่ลอยู่นี่เป็นหลักต้างไว้นี่ผู้แข็งเข้าลู่ฉุดเหยื่อแข็หรอกลูก่ลฉุดคิดไปแล้วกลับมานี่คิดไปที่ใดกลับมาลู่ปล่อยเป็นความหลงได้ความลู่ได้จากความได้จาก ความหลงกิตเป็นความรู้มากมายมันมนะมันไปเก่งไปไหวกายมันก็จะมีบางบางครั้งลมพัดมาหนาวฝนตกลมมาหนาวแดดออกร้อนแต่จิตไม่รู้จากระไรไม่มีการเวลาคิดไต้ทุกเวลาเวลานอนก็ฝันแต่เพื่อไปเอาตรงนี้ ก็มาขเข้าในู่นนี้ลูกเข้าใจเข้าเยอะเขนดอกรลูกจุกตัวคิดไปกับมาเนี่ยคิดไปกลับมาลูกความคิดทำให้ลูกความหลงทําไมลูกความทุกข์ทําไมลูกความอะไรเกิดขึ้นทําไมลูกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันตรงหน้าตรงตากันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมใครทําก็ได้เพราะมันเกิดกับตัวเราเอง เพื่นไหวมือเข้ารู้จักตัวเองเพื่อนมือออกรู้จักตัวเรามาชิดที่ไม่ตั้งใจงรู้จักตัวเนี่ยเติมได้ทุกคนเรื่องปฏิบัติกลับมาได้กลับมาเนปฏิบัติที่กลับมากลับมากับมาตั้งไว้กตางแหวกคืนเดียวเท่านั้นเองได้เป็นตัดทะลเป็นพระเจ้า คือผู้รู้ก่อนหรือว่าผุทเจ้าผู้ลูกที่หลังจะเรียกว่าผุเาผทจผเจ้าไม่ได้เรียกว่าสงสาวกลูกตามผุทเจ้ามีเราก็มาทำตรงนี้ดูเขีเข้าเยี่ ย, ยนดอกตรงนี้ประกอบกันมาให้มีสติเป็นที่ตั้ง สติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจก่อนอะไรเกิดกับกายใหู้้อะไรเกิดกใจให้รูกทำได้ทำได้ทำไ ด, ำได้ไม่หนักเนไม่ออกวรวมลูกชิกตัวนีนี่ก็เป็นกา ร, รก เ, เรียนมิตรกานพูดเป็นเวริงที่เินที่ไว เหม at, ือนกันหมดทุกชีวิตปฏิบัติอย่างเดียวกันกายก็แบบเดียวกันใจก็แบบเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกัายก่อนเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก่อนเดียวกันเหมือนกันเหมือนเวลาก็เหมือนกันแล้วหนาวก็หนาวเหมือนกันนอนก็นอนเหมือนกันทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันโกรธก็โกรธเหมือนกันหลงก็หลงเหมือนกัน อต่สิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงผู้ปฏิบัติสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกผู้ปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นมีในโลกนี้มปล่อยตัวเองทุกมปล่อยตัวเองหลงอย่างไรปเดือนก็ผ่านไปขนาดนี้แล้วยากลําบากกว่าจะได้ถึงผ่านมาในชีวิต ที่ได้เกิดมามีกายมีใจมีรูปมีนาวยากทุ่สุดเรายากทุกจะได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนในความถูกความชอบยากที่สุดที่ได้ปฏิบัตินี่มันว่ามีแล้วเราก็มีแล้วว่าทมคำสอนมีแล้วจะมีผู้บอกผู้สอนสถานที่ก็มีแล้ว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 แบ่ง ป, ปันไม่ได้ตัวใครตัวมันนี่เงินไม่ทองชื่อหาเอาไม่ได้อยู่กับการการทำนัานคู่เียนเข้าอย่าฉันโดอใไปรู้สึกตัวี้ให้โอกาสกันอย่างนี้ไม่ต้องไปใช่แรงงานอะไรกันว่าจะทมศาสตรไปปีนี้อเอาหรอรอไว้ให้เป็นเรื่องนี้โดยตรง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 เอารสระสันดุงในคนทำความดีให้ความดีเกิดขึ้นในโลกอยู่กับคนมากขึ้นมากขึ้นสภาับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นนี่คือความเป็นจริงผู้ที่ทำสัดุงในคนทำความดีก็ย่อมได้อันี้สงผู้ทําความดีเอง ได้รับความสนักสนุนจาคนเดินก็มีในสงฆ์อันนี้สง์ทั้งสองฝ่ายเป็นมหาในสงเ์็นทงคนช่วยให้ทำความดีก็ได้บุญได้กุศลเป็นหมักเป็นผลขึ้นมาเรามาใช่โจนผู้ลายมาช่วยโจนผู้ลายให้มาคุ้มค่า แบบชีวิตของเราโดยเฉพาะพวกเราเป็นดักปวดนี่เมื่อก่อนตอนนี้ดีเดี๋ยตรงหนีจากความชั่วไปสูความดีความชั่วมีเท่าไหร่พยายามหนีจากมันความดีมีเท่าไหร่พยายามทำโดยมีจิตเป็นเจนชี้วัดให้เราได้รู้ได้เห็นเรืนน่งนี้ปีใหม่เี่ให้ได้เกิดอะไรก็กราับขึ้น ให้มีกำลังใจให้มั่นใจใ้กา้าใช้ใจให้เกิดความดีให้จงได้ให้เข้มแข็งให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีวินยัยอย่าเลิกลุ่มในความดีก็จะได้ความสาเร็จเกิดมาเคยผล allora ในชาติปจัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนเต๋อ